เพื่อท่านทั้งหลายทุกๆองค์ที่มาอยู่ที่นี่พรานขอให้ตั้ง อ, อกตั้งใจพุณปฏิบัติฝังใจลงในความจริงทั้งหลายเราจะทำตั้งสีนี้สำคัญมากเลยทีเดียวเขาจะทำไงเพราเห็นหัวใจเนี่ยสำคัญเรามองโลกเราไม่ได้มองดูอะไรเรามองหัวใจคนเท่านั้นเอง แล้วไม่ได้มองดูทรัพย์สินเงินทองก็ของบริษัทบริวารผมไม่เคยสนใจแต่ว่าโง่ก็โง่ทำขนาดนั้นเนี่ยแต่ใจนี้สําคัญมากมองหัวใจคนมากกว่าเล่นเพ่งเล็งในหัวใจมากกว่าทนเอานอกจากมันทนได้ไหวจริงจริงก็ไล่กันเนี่ยจะว่าไงเราก็จะตายตายได้วสงคราะห์เขาได้ยังไงไล่เขากลับไปซะก่อนเนอมีกําลังแล้วค่อยสงคราะหทีหลังอันนี้ครับ ไปถวายเครื่องสักการะท่านเจ้าคุณวัดโพก็ได้วถวายทันพอทุงปว่วนวันนี้น้ำตาลน้ำตาลทรายยี่สิบกระสอบเล็กห้าสิกิโลนั้นยี่สิบกระสอบแล้วเปล่าได้แค่เท่าไหร่สี่สิเจ็ดกิโลหรือไปตาย่างอย่างดีนะ จำน้ําทึกอะไรใสวายครับทํากลาตอนเทน่มบิดไปน่นข้าท่ามีแล้วก็เลยไม่ให้คือไม่ค่อยขาดเขินข้าบินตะบัดได้มากกว่างะเราก็เลยไม่ให้ตามขาดเคินเราก็จะให้ควรให้มาให้น้อยเราให้ได้ปกติเราก็ให้ท่านอยู่แล้วเดือนละห้าพันพันโอ้ยเราขอสมควนท่านหนาสมควนแล้วท่านหนาเี้ยมึให้เป็นพี่เส แต่ไม่ได้นมเนย อ, อะไรไปถวายท่านคราวนี้เขาวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันก็เสียเวลานานไปเลยพักไปสักพักบางทีอาจจะหาไปทีหลังก็ได้นมไปเคยไปถวายท่านเป็นลังๆนะเมื่ อ, อน้ําตาลไปแล้วก็เอานมไปถวายบางทีนมกับ น, น้ําตาลไปพร้อมกันวันนี้ลืมแต่มีอะไรด้วย ทำอะไรก็มีแต่ความสงสารมันมันกอกกอกหน้าอยู่เป็นธรรมชาตินะมันเป็นต้องมันหนึ่งกันแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นแล้วตอนนีมันเป็นหนึ่งกันตัวนะไรไปเห็นตัดมันก็อดคิดไม่ได้เห็นคนเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่มันอดคิดไม่ได้มันเป็นเองเป็นเองเป็นในตักธรรมชาติของมันเป็นของมันนั้นนําอย่างมันสะดุดแย้มนิดอนี้มันเอามาคิดสะเป็นโหรัางตรงนี้ ขณะนี้พ อ, พอฉานนังงันไ ด, ได้ได้ฉันยันงันได้มาหลายเดือนนะนี่เป็นเหตุให้เราคิดอีกแง่หนึ่งนึงกันว่าหมากนี่มีส่วนเรื่องการฉันยังงันนตั้งแต่เราหยุดหมากมานี่แล้วอยากตินก็เราก็ยอมรับแล้วก็มีน้ําอะไรน้ำข้าวอันนี้อีกอันนึงแล้วหยุดหมากหมากมีส่วนทําคัญอยู่ พอหยุดมาแล้วการชั้อยางชั้นก็ค่อยเสมอมาเรื่อยฉันมาได้นานน่นนะฉันได้พอสมควรสมควมานานก็มีเมื่อวานนี้เป็นะไรไงดูปุ๊บปั๊บวานชั้นนั้นไม่ค่อยได้วานป็นบังคับออกวันเหมือนเช้านี้เหมือนเช้านี้ไรน ยินชื่อยินเสียงองค์ใดองค์ใ ด, ใดที่ปฏิบัติทางน้านจิตตภาวนาเป็นอย่างนั้นนี้มันไม่ค่อยได้ยินนะะทุกวันหูนี่ฟังอะไรไมัน ส, สะเทือนไปหมดแต่ฟังเสียงอัดเสงทําจากถ้าปฏิบัติของหมู่เพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ยิน น, นี่มันทําให้ยิตกวิจารมันทําอะไรอยู่ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในทั้งนอกมันไม่ได้ยินใกล้ก็ไม่ยินไกลก็ไม่ได้ยิ น, นทําอะไรอยู่ปฏิบัติยังไงกัน มันน่าจะได้ปรากฏชันนี่มามันดือ้อย่งไงนี่หน่อยอยากอันนี้รวมพุณประสิทธิ์ธ <c oughs> ใครอิ่มไปตามเรายังไม่อิม่มเราต้องการให้อิม่มก็ต้องให้ฉันให้อิม่มไม่มีใครว่าอะไรเรา ผมคิดเห็นผมเป็นผู้น้อยเอามาเทียบกันได้หมดทุกสัตว์ทุกส่วนนั่นแหละกับหมู่เพื่อนผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วฉันไปอง์นั้นอิ่มองนี้อิ่อ ม, ยมขยับเข้ามายังมายังไม่ถึงเราอีกสามี่องค์จะถึงเรามันก็อาอย่างว่าแล้วโดดออกออกไปแล้วมันก็ไม่อิม่มเน่ถ้าไม่ฉันนําอิ่มไม่ก่อนมันออกแล้วก็ไม่อิม่มนอกจากเราตั้งใจจะไม่ให้มันอิม่มหรือเราไม่ฉันมาต้องการให้อิม่มก็ให้มันอิม่ม ให้ จ, จัดเสร็จอะไรก็ให้เสร็จผู้สัตว์ผู้เสร็จแล้วไปทําไปทำไปผู้ยังไม่เสร็จก็ให้จัดก็ให้ฉันไปตามสบายกันมาเวลามีแขกคนมากเวลาฉันเสร็จแล้วก็มาช่วยกันจัดนี้สงแยกนุ่นแยกนี่แปะให้ญาติโยมครับทันกันแยกออกไปข้างในแล้วค่อยไปล่างบาทท่าของเราเอางช่วยกันอย่างนั้นบางองค์ไม่ค่อยไสนใจอะไรกับใครนะมักกดทวมหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนแบกหามอยู่จะตายนะัมมีนะ มันมีผมเคยเห็นมาแล้วผมจึงเข็ดผมบอกนะับเรอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่มันเข็ดไปหมดนะไม่อยากทำมันซ้ำนอยมันก็จะมาซ้ำอยู่ในวัดเราเนี่ยทีนี้ไม่ซ้ำางไรจะมาซ้าในวัดเราเองนั่นก็เพราะอะไรเล่เามิได้พวกไปเองไปเอ ง, ไ ป, เองไปหาท่านถ้าไม่เกี่ยวข้องใครไปให้ท่านลําบากลําบนนี่ที เรายิ่งตจแล้ระมัดระวังษาอสอดส่องดูหมู่ดูเพื่อนกลัวจะแสดงกับปียาไม่ดีต่อกันตันหนักอกหนักใจเราถึงคอยคอยควบคุมโอ้ยหนักมากนะต่อไปกับเจ๊งๆกล้งๆเป็นเรื่องขวางท่าก็มีเป็นมันมากก็มา ถ้ามาดูแลอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกแล้วก็ไปทับท่านอีกมากอีกแ้ยิ่งยิ่งแล้วล่ะนี่เพราะเราจึงคอยผ ม, ม, มก็เลยจับตั้งอยงนั้นมาไม่เคยปล่อยเลยตลอดเอาหมูข้วมาทานถ้าไม่ทำเราจะไม่รุงเรืองทีเราเลยใส่บาดด้วยสิอย่างหมูเช่านี่ถึง เันือ่อย่ากครูอ า, าจารย์ก็ร่วงไปร่วงไปหาพี่เกาะที่ยึดไม่ได้มันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเมื่อใจเขาใจเรามันใจอันเดียวกันมันรู้หนักเบาเหมือนกันตอนเรา เรืงเรื่องอะไรนั้นก็เป็นยานหนมันก็มากแต่ยังมันยังไม่เห็นอย่างนี้อีกละถึงมากก็ไม่เห็นอย่างนี้เห็นมากจริงๆเที่ยวไปที่ไหนไปไปเที่ยวเห็นวอยู่วัดป่าบรรดาลตั้งแต่ตั้งแต่มาสร้างวัดนี้ยังไม่เคยจะฉันเข้าวาเปล่าขีเลยนะเอมาสร้างทีแรกสร้างวัดทีแรก พระมาด้วยสี่จุห้าองค์มาสาั่งเจี๊ยบจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้ฉันเข้าปเปล่าลวเวลาเราภาวนาอยู่ในป่าในเขาเราหาเองนัง่นเราเราทำองเราเองอไม่เร้าอะไรมันจนจำเจนจนชินแล้วว่างั้นเถอะฉันเข้าปเปล่า มันดีอันหนึ่งนั่นเราจึงได้หาเราจึงได้ทำอย่างนั้นเดินอยู่กองก็ตัวตัวปิ้วไปเลยถ้า น, นั่งก็เป็นหัวตอ่อมันไม่งอกไม่ง่วงง่วงเป็นเพราะอาหารเนี่ยมันก็รู้ฉันถ้าข้าวเปล่ามันก็จเจออะไรมาอิ่มนำทำดานอะไรักข้าวเปล่าจริงๆแมแต่ข้าวมันก็ยังไม่พอบางวันไม่พอเพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ย เราจะไปเสียใจอะไรก็เราหายมันดัดพันดานจาของถ้าเขาช่วยดัดด้วยนี่จะของลำพังจากของมันบางทีมันโลภอาหารเขาดัดช่วยนดัดช่วยดั ด, ดกันต้อกนั่งโค้งหน้าก็ไม่ง่วงนั่งไม่สับาะงงก็งานเดินกับตัวปิ้วไปเลย นอนก็ไม่ค่อยฉันมีกำมากๆฉันมากๆมันมันมากง่วงยิ่งปลอกผ้าผัดมันๆดูแล้วยิ่งชอบง่วงละเนือระวังเรื่องท่าเรื่องคันเรื่องปากมันยากอย่างหนึ่งเรื่องทําไปอย่างหนึ่งนะมันไม่สามารถขี่กันมันต้องขัดกันแย่งกันเสมอระหว่างทำกับพิเรพีเรตต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น อย่ชอบใจของเราะคุณง่ายเรื่องของกิเลสต้องเป็นเรื่องเราชอบใจเรื่องของทำเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องไปทางไม่ชอบนะ่ะเพราะเราเรามุ่งทำแล้วไม่มุ่งกิเลสต้งองทู้ไทยโอ้ลําบากผม เ, เป็นคนหนาอยู่ในเจดีนนะ ไม่ใช่แบบเป็นคนเบาบางอะไรนะถ้าพูดถึงตามปฏิปทาเจ้าของนี่หนามากเจ้าขอผมอะ่ะคือทําอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่องถึงเวลาเดินยังคงไปเดินถึงเวลามานั่งนต่นั่งถึงเวลาทำอะไรก็ทําไปแต่นั่นทดลองดูเจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องทงํางาันก็ไม่เรื่องมันคิด จนกระทั่งอะไรหมู่เพื่อนที่อยู่กับพ่อแม่ครูบอาจารย์เราเนี่มองดูองค์ไหนเหมือนภาพภาพับไว้เหมือนท่านเป็นอาหารอาหารทุกองน์นยนะกิริยามรยาท่านนิ่มเหมือนจิตท่านเป็นอาหารอาหารทุกองค์ก็จะเป็นลิงยืนแต่เราตรงคมเดียวนี่คิดอย่างนั้นก็คิดนะผมแต่าหาท่านที่แรกนะย่างไรรู้หรือเ่านอกจากนั้นเหมือนท่านเป็นพระญาติบุคคลอย่างน้อยเป็นญะตบุคคล เพราะนั้นเหมือนเป็นพระทหารกันทั้งนั้นเหมือนเป็นเทวทตัตเราคนเดียวสู้กับเจ้าของเทวทัตมันทรรมดาเจ้าของนี่วะนี่เป็นเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกตรงนี้ทำธรรมดามันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนี่มันกันมันก็ทำให้คึกคักหรือมันทำให้โมโหนี่จะว่าไง ทำไงไงก็ไม่เรื่องมันเป็นยังไงวะนั่นมันขยับเข้าขยับออกนั่นแหละเอากัน จ, จนจะเติมจะตายมันถึงเลยเหมือนเหมือนกับว่าพอแยกเหมือนฟ้าแม่เนี่ยเอเห ม, มือนแตงิ้ห้อยถ้าเอาจนแทบเป็นแทบตายโน่นี่สายเร า, าเป็นอย่างนี้จะทําธรรมดาไม่ได้แล้วของเรามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี่สาเราเป็นใหม่จะทํำไงจะทําเหมือนบ้านเห ม, นมือนเมืองเขาต่างหาก็ทํามันเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นกรรมเยื่ของเราเองต้องเป็นอย่างนี้แหละ มันต้องฟาดเลยมันนั่งถึงก้นพองอ่ะึแลวมันนั่งฉันยังหขัดสมานไม่ได้เลยแล้วยํามันทุ่มมันเตนที่นะมันออกร้อนมดกลดเจ็บปวดอออกร้อนกลดเวลาบ้วมันดูมันพองก็มีโอ้ก้นพองก็มีเนีดู ไม่พอไงนั่งตลอดรุ่งเอาที่ใครเก่งก็ลองดูทอ่นั่งจนถึงหัวค่ำจนตลอดรุ่งไม่ได้พลิกได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยวัดกันนีจนเต็นกับเต็ม ก, กับตายก็เอาว่างนั่นเลยเอาตายเข้าว่าเลยนั่นที่เวลามันจนตอบกัมุงไม่มีทางไปจิตมันก็สู้อยู่ที่นี่หมุนตี้ยเตี้ยกับฟันกับวิเดีนั่นแหละมันรู้มันเข้าใจในตรงนั้นอาจจากนั้นก็เกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาโหอยู่เวลามันอาถรรพ์มันเป็น ผู้โงโงเมื่อไหร่เออมันอาจหาด้วยความฉลาดของมันเวลามันฟัดก่เด็จหมุนติ้วิ้วมันรู้มันเห็นจริงแล้วมันเกิดความกล้าหาญพูดได้อย่างมัธยุทุกทานกับพ่อแม่ครูยันรั่นน่ในพรรษาที่บวชมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ เป็นพรรษาพรรษาที่ที่สิบที่อยู่หน้ามนผมหนักที่สุดผมนึงถือเป็นประวัติชีวิตของผมนะพรรษาที่สิบคือโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะไม่ใช่โหมแต่ร่างกายไม่ใช่โหมแต่จิตใจนะมันหักโหมด้วยกันทั้งสองพร้อมกันเลยร่างกายก็เหมือนจะแตกจะหักที่ดูยจนนั่งหัดสมาธิหนมาหันไม่ได้ผมนั่งผับเพียบ คือเวลานั้นเราเราไม่สู้มัน เ, นเราก็ต้องพับเพียวอย่างมันเจ็บมอเนี่ ย, เ, น เ, นยเราไม่สู้มันเราจะสู้อาหารท่างหากเนี่เราก็พับเพียรกินเลยเวลาเราสู้มันเอาถึงได้ถึงกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่าใจเนี่ยผมกินกลางกลางวันในพรรษาผมไม่เคยจำมัดนะเว้นเนี่ยมันมีข้อข้อแม้ไว้ว่าเว้นแต่วันไหนเรานั่งตลอดรุด่งวันนั้นเราจะจำมัดให้กลางวัน ถ้าเราไม่ได้ก่อรุ่งยังไงเราก็ไม่จำไ ม, ไม่เพรา ะ, ะนั้นกลางวันนร้งๆงเดินองีถ้ามันจะง่วงลงเดินอย่างเียว ม, มันหักโหมมากนะมาฟูตัดหมดเลยปีนั้นปีกัน ม, าามันมมมผมชันหนาม่นหนผมชันหนามากแต่ผมยังไม่บวช น, น, น่ะผมันบ้านนมนกี่ปีพาบานนมนผมตัดออกหมดมากพู้ไปหลายเดือน หเดือนเจ็ดเดือนมันจะมาชั้นหนึ่งเรื่อยๆไปแล้วา ต, า ต, ต่อมากระชั้นม า, มาเลยนี่พอเราไม่ตั้งสัจจะความจริงอะไรมันขาดไปลรางดเราพักเพื่อภาวนากัพหาหอมมากคันสานานัะหนักมากที่สุพูดถึงเรื่องร่างกายกับใจนะหนักพอๆกัน ที่นี่จากนั้นมาแล้วก็มาเป็นระยะติดก้าทางด้านตัญยานนี้ไปทางจิตเนี่ยร่างกายไม่นั่งถึงกับตลอดลุ่งหามหาม้ำข้ามเลยแต่จิตมันมันเอามันหมุนของมันตลอดเดินดูกรมมันก็มีเรื่องเดินเราไม่ว่าน่ะเรื่องเดินพ่ า, นน า, าทางสถานีหันหน้จนกระทั่งถึงปัดกว่าน ม, มันก็ไม่ถือมันหักหมใช่ไหมเพราะมันไม่ทรมาน มือนนั่งภาวนาสตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลุง่งมันทรมานจริงๆนะมันกระดูกนี่จะหักจะหลุดจะขาดไปหมดปรากฏว่าเป็นนั่นนะเพราะนั้ น, น, น, น, น, เ, นเราเดินเราเดินอย่างกรมจนฝ่าเท้าร้อนนี่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเวลาเราเดินนะออกมาแล้วนะฝ่าเท้านี่มันร้อนเหมือนไฟถูไฟเผาหนึ่งคนหนึ่งแต่มันเป็นไปเดืจิตกับทํากับสิเดียร์มันทันอยู่ภายในนี้มันไม่ได้ออกไปทางส่วนร่างกายไม่ได้ออกไปไหนแต่ ไ, ไหน มันหมุนอยู่ภายในภายในภายในมันไม่มีระยะเวลามันก็ไม่เหนื่อยไม่เพียรทีนี่เราจริงว่าทั้งร่างกายไม่ได้หมักผมเหมือนอยู่นามอนนามอนนั้นไม่หักผมมากทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้มันหนักท่าน่าจิตใจหมุนติ้วติ้ติ้ติ้จิตผมมันผักโผลผมมันใส่คนหยากมันไม่ใช่คนละเอียดละอออะไร นี่ใช้ Abi, เวามันยากจะประกอบความภาพเปลี่นอย่างสุภาพชนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่อย่างั้นไม่ได้ต้องเอากันมัดมือชกเลยเถอะทำอะไรมันต้องเอาอย่างนั้นมันต้อไม่เห็นผลเมื่อมันเห็นผลไดยวิธีใด้วิธีนั้นมันก็ต้องเป็นสมบัติของเราอยู่โดยดีทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องไทํามันเป็นกรรมมายมันอย่างนั้นจะบัน มันไปสุดสุดฤทธิ์มันแล้วพูดอย่างง่ายว่างั้นเถะนะไปสุดฤทธิ์แล้วมันก็ลูกมันเองเ <c oughs> ดิยนยังคมเหมือนอนะไรพูดไม่ถูกเหมือนบ้าะหลังจากนั้นแล้วนะเดิยนยังคงไปไปเห็นจิ้งกาก็เล่นจิ้งกาเห็นนกก็เล่นกับ น, น, นกพวก น, กนกี้เหมือนไม่เดินยังคงไปอะไรเห็นอะไรก็เล่นแล้วนั้นไปเที่ยวนันไมไ่จริงไม่จังอะไร แต่ก่นมันเป็นได้หรืออย่างนั้นนั่นมันไปส น, นใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้ปะหน้าถึงมัดดีในนี้หมืใ น, นี้ควาดเปนยังไงนี่คนึ ไ, ไหนวนวนัวนอ้วสีบายจันตยานทารือจินยาน